วิธีสร้างอำนาจจิตตอนที่ห้าสำหรับในตอนนี้ข้าพเจ้าอยากจะให้ข้อสังเกตไว้สักอย่างหนึ่งก่อนกล่าวคือพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่ามีอำนาจจิตเหนือใครทั้งหมดทั้งเทวดาและมนษุษย์รวมทั้งสัตว์เดรัจฉานด้วยเช่นเมื่อคราวที่พระเทวทัตคบคิดกับพระเจ้าอาชาติศัตรู สั่งให้ควานช้างปล่อยช้างซึ่งกำลังตกมันวิ่งเข้าใส่พระพุทธเจ้าแต่แล้วในเมื่อช้างเข้ามาในระยะใกล้ช้างตัวนั้นกลับหมอบลงแสดงความเคารพและเดินกลับไปในลักษณะที่เชี่ยงช้าหมดความดุร้ายนี่คือตัวอย่างอันหนึ่งที่แสดงว่าพระพุทธเจ้ามีอำนาจจิตเหนือแม้กระทั่งสัตว์เดรัจฉาน และผู้ที่เคยทราบเรื่องที่กล่าวไว้ในบทสวดมนต์ที่เรียกว่าพุทธชัยมงคลคถาหรืออีกเรียกอย่างหนึ่งว่าถวายพรพระซึ่งขึ้นต้นด้วยคำว่าพาหุงนั้นทุกคนก็จะทราบได้เป็นอย่างดีว่าพระพุทธเจ้ามีอานาจจิตสูงสุดเพียงใดในบทสวดมนต์นี้ได้พรรณนาไว้อย่างไพเราะมาก เริ่มต้นด้วยคาถาที่กล่าวถึงพระองค์ได้ชายชนะพญามารพร้อมทั้งไพรพลด้วยอะไรทรงชนะอารวกะยักษ์ด้วยอะไรทรงชนะช้างนาลาคีรีด้วยอะไรซึ่งทั้งหมดมีอยู่แปดบทจากการศึกษาเรื่องนี้โดยละเอียดแล้วเราก็จะพบว่าคนที่จะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่น หรือเหตุการณ์ใดๆก็ตามนั้นหลักสำคัญอันหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือต้องเป็นคนมีสมาธิสูงมากขอให้นึกถึงเรื่องอภิญยาต่างๆซึ่งแต่ละอย่างจะเกิดขึ้นมาได้ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยสมาธิขั้นสูงทั้งนั้นอันหนึ่งเมื่อพูดถึงคนที่มีอานาจจิตสูงนั้นก็อย่าลืมว่าพวกพ่อมดแม่มดหมอผี พวกที่ใช้เวทมนต์คาถาไปในทางที่ชั่วก็ล้วนแต่ต้องเป็นคนมีอำนาจจิตสูงจึงจะมีความสามารถทำอย่างนั้นอย่างนี้ได้และจากตัวอย่างบุคคลประเภทนี้ก็แสดงให้เห็นว่าการฝึกสมาธิเพื่อให้มีอำนาจจิตสูงนั้นมีวิธีการหลายอย่างซึ่งทั้งนี้ก็แล้วแต่ว่า ผู้ฝึกจะนําไปใช้ในทางไหนหรือต้องการอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามไม่ว่าใครจะฝึกด้วยวิธีไหนผลที่สุดก็จะต้องให้ได้ผลอย่างเดียวกันคือต้องสามารถรวมพลังจิตให้มีความแน่วแน่และมีความกล้าแข็งซึ่งมีมากเท่าใดก็ยิ่งดีขึ้นเท่านั้นวิธีสังเกตที่จะให้รู้ว่า เราจะมีพลังจิตกล้าแข็งมากน้อยเพียงไรนั้นมีวิธีง่ายๆอยู่อย่างหนึ่งคือโดยธรรมดาผู้ที่มีอำนาจจิตกล้าแข็งเวลาหลับตาเข้าสมาธิจะมองเห็นแสงต่างๆภายในจิตใจของตนยิ่งอยู่ในที่มืดแสงที่ว่านี้ก็จะยิ่งเห็นได้ชัดถ้าแสงนั้นสว่างมากเห็นได้ชัดมาก ก็แสดงว่ามีอำนาจจิตกล้าแข็งมากและในเวลาเดียวกันภายในจิตใจของตนจะรู้สึกว่าจิตมีกำลังมากคือจะรู้สึกว่ามีน้ำหนักหรือรู้สึกหนักแน่นมากและแสงที่เห็นนั้นก็สามารถบังคับได้จะให้พุ่งไปในทางไหนหรือจะให้รวมตัวกันอย่างไรก็ทำได้ทั้งสิน้น นอกจากจะสังเกตจากแสงต่างๆดังที่กล่าวมาแล้วมีข้อสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือคนที่มีอำนาจจิตสูงนั้นจะสามารถสร้างมโนภาพได้ทุกชนิดและเห็นภาพได้ชัดมากด้วยคนที่หลับตาเข้าสมาธิแต่แล้วไม่เห็นแสงสว่างไม่เห็นมโนภาพใดๆเลยหรือเห็นแต่ก็เห็นอย่างเลือนลาง บุคคลประเภทนี้แสดงว่าอำนาจจิตมีน้อยมากและนั่นจะหมายถึงว่าสมาธิก็มีน้อยด้วยผลจึงได้เป็นเช่นนั้นการฝึกจิตเพื่อมีอำนาจจิตสูงหลักใหญ่ที่สุดขึ้นอยู่กับสมาธิทั้งสิน้นแต่ถึงกระนั้นก็อย่าเข้าใจว่าคนที่มีสมาธิดี จะต้องเป็นคนที่สามารถเอาชนะคนอื่นได้เสมอไปขอให้สังเกตดูว่าพระพุทธเจ้ายัางต้องทรงใช้วิธีต่างๆกันในการเอาชนะคนอื่นและพระองค์จะทรงสอนให้ใครเชื่อตามให้รู้แจ้งธรรมะก็ย่ต้องตรวจดูอุปนิสัยเสียก่อนและทั้งที่พระองค์ทรงมีความสามารถอย่างสูงในการสอน แต่ก็ปรากฏว่าบางคนพรงทรงสอนให้เขาเชื่อและปฏิบัติตามไม่ได้ก็มีเพราะฉะนั้นวิธีที่จะมีอำนาจจิตเหนือคนอื่นนั้นจึงจำเป็นต้องมีคุณสมบัติหลายอย่างคือจะมีแต่เพียงสมาธิสูงอย่างเดียวไม่ได้ขอให้สังเกตว่าคนที่จะมีความกล้าหาญจริงๆ ซึ่งความกล้าหาญเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นอย่างหนึ่งของคนที่มีอำนาจจิตสูงนั้นยังต้องประกอบไปด้วยคุณธรรมหลายอย่างคือต้องมีศรัทธาศีลพาหุสัจจะวิริยารมพระและปัญญาพระพุทธเจ้าทรงเอาชนะมารและใครต่อใครได้มากมายก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสมาธิเพียงอย่างเดียว แต่หาขึ้นอยู่กับการที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญบารมีทั้งสิบคือทานศีลเนคข ม, มะปัญญาวิิญาขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาซึ่งแต่ละข้อพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญมาอย่างสมบูรณ์ที่สุดอันหนึ่งขอให้สังเกตอีกอย่างหนึ่งว่า คนที่สามารถสะกดจิตคนอื่นได้เก่งนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะสะกดได้หมดทุกคนและในการสะกดนั้นก็ยังต้องใช้วิธีอื่นอีกหลายอย่างประกอบด้วยเช่นการใช้คำพูดน้ำเสียงท่วงทีวาจาการแสดงท่าทางสิ่งเหล่านี้ต้องทำให้ถูกแสดงให้เหมาะสมจริงๆ นี้ฉะนั้นจะไม่ได้ผลเลยและที่สำคัญก็คือบุคลิกลักษณะของผู้สกดอันนี้สำคัญมากเช่นอย่างบางคนมีดวงตาลักษณะใบหน้าสอให้เห็นถึงการมีอำนาจจิตได้ง่ายซึ่งบุคลิกลักษณะที่ว่านี้ย่อมหมายถึงเป็นเครื่องแสดงออกถึงคุณลักษณะของจิตใจที่ได้ฝึกหัดมามาก หรือได้เคยปฏิบัติมามากในทางสร้างอำนาจจิตมาแต่ชาติก่อนนอกจากนี้เราจะพบอีกว่าในการสะกดจิตเพื่อที่จะให้ได้ผลดีขึ้นหรือเร็วขึ้นในปัจจุบันมักจะนิยมใช้วัตถุอื่นประกอบด้วยเช่นให้มองดูสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อให้ผู้ที่ถูกสะกด เกิดอาการเครือบเคลิมเกิดความแด้วแน่จิตผูกพันอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนักสะกดจิตถ้าเลือกใช้สิ่งที่กล่าวมานี้ไม่ถูกกาลเทศะไม่ถูกกับจริตของคนที่ถูกสะกดก็จะไม่สามารถสะกดเขาได้เลยการสะกดจิตโดยปกติมีหลับอยู่สองประการคือหนึ่ง เป็นการแนะนำหรือจูงใจให้ผู้สะกดใช้อำนาจซึ่งวิธีนี้คนที่ทำการสะกดไม่จำเป็นต้องมีอำนาจจิตสูงมากก็ทำได้แต่ต้องมีศิลปะในการจูงใจคือต้องได้รับการฝึกหัดมาจากผู้ที่ชำนาญในทางนี้จริงๆและต้องเคยหัดสะกดจิตคนอื่นมามากพอสมควรจึงจะรู้ว่า จะต้องทำอย่างไรจึงจะสะกดจิตคนอื่นได้ที่ว่าใช้อำนาจจิตของตนสะกดจิตตนเองนั้นหมายความว่าผู้ถูกสะกดได้ใช้อำนาจจิตใต้สำนึกของตนสะกดตนเองฉะนั้นผู้ที่ทำการสะกดจะต้องพยายามใช้ศิลปะในการจูงเพื่อให้ผู้ถูกสะกดเกิดอาการเคลิบเคลิม้ม อยู่ในภาวะกึ่งสานึกคือไม่ใช่ให้หลับไปเลยเพราะถ้าหลับก็จะสั่งอะไรไม่ได้ผู้ถูกสะกดจะไม่ได้ยินไม่รับรู้แต่ถ้าผู้ถูกสะกดยังตื่นอยู่ไม่เคลิบเคลิมผู้ถูกสะกดก็ยังใช้จิตสานึกธรรมดาของตนควบคุมตัวเองอยู่ผู้ทำการสะกดจะสั่งให้ผู้ถูกสะกดทำอย่างนั้นอย่างนี้ หรือให้มีอาการอย่างนั้นอย่างนี้ย่อมทําไม่ได้เช่นจะสั่งให้ตัวแข็งหรือมือเกรง็งหรืออะไรก็ตามก็จะไม่มีผลอะไรเลยเพราะถึงแม้ผู้ถูกสะกดจะปฏิบัติตามก็เป็นการใช้จิตสํานึกธรรมดาจึงไม่มีผลในการสะกดเพราะฉะนั้นหลักสําคัญจึงอยู่ที่จะต้องให้ผู้ถูกสะกด ค่อยๆหมดความสํา น, นึกตามปกติแล้วเข้าสู่ภาวะเครือบเคลือนตอนนี้จิตใต้สํา น, นึกของเขาจึงจะเริ่มทํางานแทนจิตสํา น, นึกได้และโดยธรรมดาจิตใต้สํา น, นึกหรือพวางขจิตนั้นเป็นจิตที่มีพลังสูงมากบังคับร่างกายได้อย่างเฉียบขาดและเข้มแข็งมากอะไรก็ตาม ที่จิตใต้สำนึกรับคำสั่งแล้วก็จะต้องปฏิบัติตามทันทีและตรงเวลาถ้าหากไม่มีคำสั่งอย่างอื่นไปแทรกและโดยธรรมดาเมื่อจิตสำนึกค่อยๆหมดไปแล้วจิตใต้สำนึกก็จะทำหน้าที่แทนจิตสำนึกโดยอาศัยหลักเกณฑ์อันนี้แหละการสะกดจิตโดยวิธีการแนะนำผู้ทำการสะกด จึงมีผลต่างๆดังที่ทราบกันและส่วนมากที่มีการสะกดจิตกันนั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์อันนี้ทั้งสิน้น 2. การสะกดจิตอีกวิธีหนึ่งคือการใช้อำนาจจิตจากผู้ทาการสะกดโดยตรงวิธีนี้จะทำได้ผลจริงๆก็ต่อเมื่อผู้ทาการสะกดจิตจะต้องมีสมาธิสูงมาก โดยเฉพาะก็คือเมื่อหลับตาเข้าสมาธิแล้วจะต้องเห็นแสงต่างๆภายในจิตของตนและจะต้องเห็นอย่างชัดเจนมากและสว่างมากด้วยพร้อมทั้งเคยฝึกหัดรวมพลังแสงให้มีความเข้มและพุ่งไปทางไหนก็ได้ตามความตั้งใจต้องมีความสามารถสูงถึงขนาดนี้จึงจะทำการสะกดได้ แต่ถึงกระนั้นก็ยังต้องมีคุณสมบัติอย่างอื่นอีกหลายอย่างจึงจะทำการสะกดจิตคนอื่นได้ซึ่งรายละเอียดต่างๆเหล่านี้จะไว้เขียนในตอนต่อไป